บางทีเราก็ช่วงเวทบางคนอยู่ในวัยทำงานนะก็อาจะทำงานหนื่อยหน่อยหนักหน่อยบางทีแม้แต่อยู่ที่วัดนะบางทีก็มีนักติบวัฒนธรรมหลายคนนะก็มักจะคล้ายๆปรึกษาตึงตึงบนคล้ายๆถ้าช่วงไหน แต่จนไหนที่วัดมีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะนะในครัวก็ต้องทำอาหารหรือว่ามีงานเยอะก็งานเดี๋ยถ้าบางช่วงนะที่วัดนะมีงานอื่นเสริมนะที่ต้องทํางานที่ต้องขอแรงกันนะอาจจะคอแรงที่วัดจะดีหรือว่าขอแรงเป็นรายบุคคลก็ดีนะให้ทํางานเสริมก็ ไลายหลายท่านไปบางทีจะรู้สึกว่าเหมือนเบี่ยงเบียนเวลาปฏิบัติธรรมคล้ายๆว่าพอเวลาต้องทำงานเนี่ยอื่นที่ไให้เป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะก็คิดว่าคือคล้ายๆเราเสียเวลาในกาปรปฏิบัติธรรมไปพอทํางานก็เหมือนเร่งความที่มันเสร็จเร็วะอยากให้งานนั้นเสร็จเร็วๆนะ จะได้พอทํางานเสร็จแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมเสียจทีพนะอยิ่งคิดแบบนั้ น, น, นก็ยิ่งทางานก็ทํางานด้วยความเต้งรีบด้วยความร้อนลนะมใใน พ, อ ม, นะพ อ, อ, นนอมาปฏิบัติธรรมก็ใจไม่ยสงบเพราะว่าทั้งวันก็รีบร้อนร้อนลนพอมาปฏิบัติธรรมก็บางทีก็มากแค่พอถึงว่า ใจไม่สงบเลยนะว่ามาทําในรูปแบบก็ราะฉะนั้นคนนี้ว่าพอให้ไปทํางานข้างนอกน่นแหละใจก็เลยวุ่นวายะไปกระทบ ก, กับสิ่งอื่นจิดใจก็เลยไม่สงบบางทีก็เป็นความที่เขาเข้าใจอย่างนั้นเข้านะใจว่าตอนที่ทํางานอย่า่นไม่ใช่เวลาปฏิบททัติธรรมก็เลยต้องรีบทําให้มันเสร็จจะได้มีเวลามาปฏิบททัติธรรม อันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักปฏิบัติธรรมบางคนนะที่วัดเ <Yeah. S 1> นพวเราเคเป็นไมการปฏิบัติธรรมอีก่เราอยากก็อยากจะทำในรูปแบบให้มันเยน อ, อะๆเนาะถ้างานอื่นเคิดว่ามันไม่ใช่มันคงทำได้ไม่ดีนะในการปฏิบัติธรรมก็เลยต้องเล่งให้มันเสร็จเร็วๆแต่มาเองก็บวดมาสิบสี่สนหะ้าปีใวัด แต่ละปีก็แต่ละวันก็มีงานหลายอย่างนะเพิ่แต่บทใหม่ใหม่ก็เหมือนกันนะอต้องพระยังไม่มากนะก็ต้องอืมทำบัญชีว่าหรือนจะัดจา ก, การเป็นติปฐาคนคะล้ายๆเหมือนพระบรรลุกระแซวก็วเหมือนเป็นเป็นเลขา <c oughs> เป็นแม่บ้านนะดูแลที่นี่แจดูแลติไไดต่างๆภายในวัดปฏิที่พระงไม่มากนะหรืงแม้แต่ต่อที่พะมากขึ้น ยู่มากขึ้นภาระไปในวัดก็ก็มากขึ้นตามไปแม้คนมาช่วยเพิ่ขึ้นแต่ก็เรวเองก็มีงานหลายอย่างเหมกันแต่แรกเป็นจริงนะว่าที่เราบวชมาเราไม่อยากจะมาทำงานแบบนี้นนะ <c oughs> ถ้าทำใมาทำงานี่เราผงไม่บวชดี ก, กว่าไปทำงานเต็บตัวดี ก, กว่าแต่ก็พอมาคิดไปที่มาแต่แรกก็ถ้าเรามีช่วยใครช่วยเนาะไปทำงานนะ เราก็ขอเด็ช่วยได้ท <speaking> in <the Internet> ําไมเราต้องมาหวงแหนของเราหวังความรู้ความสามของเราด้วยนะก็ตอแรกก็ต่องจิตต่อใจยังไงดีแต่ก็จิตที่ที่คิดที่จะช่วยก็มีมากกว่าก็เลยก็ทําไปหรือบางครั้งบางทีไม่ได้นงานบางอย่างบางทีเรารู้สึกว่าที่เรามาหวนเนี่ยมันือาเป็นงาน มัคนคมทบก็กาดไว้เนาะแต่ทําไมแต่แยกยนต์บางค น, นไม่รู้ว่าเรื่องหลังข้ามอีกทํางายยี่ก่าสมคอนนะบางทีส้วมเต็มนีก็ต้องไปตัดส่วมนะะพ่อตาลก็ต้องไปตัดรักไม้ที่มันตัดในท่อนนะหรือว่าขยะอันไหนนึกตะกนก็ต้องไปเขีนะ่ะบางทีไปนั่งดูศาลาไปนั่งดูดู สวยงามสะอาดดีนะแต่นั่นหลังก็งตอจีวรหลอกเนี่ยอจะอ้งปากกับสบงนี่อาจจะทำงานยิ่งกว่าสมองก่อนไครับแต่บางทีก็จริดงนวเราเรียนมาขนาด น, นี้สมัยก็มาทํางานแบบนี้ด้วยแต่จริงกองงานนั้นจริงๆมันเป็นความคิดมาดอกเราให้เราแบบให้เราเกี่ยงนานให้เราไม่อยากหนะีไหนที่จริงถ้าจะว่าจริงๆริงมอาจจะเป็น คามเห็นแก่ตัวบางอย่างของเราเลยนะที่มันทําให้เราไม่อยากไปทํามองไม่อยากทําเรื่องพวกนั้นบึงทีเราไปมองว่างานพวกนั้นเป็นงานที่ต่ำหรือถ้าจะโยงมาอีกทีหนึ่งก็เหมือนได้ครับว่างานพวกนั้นะเราไม่ได้ปฏิบัติธําอยู่ภายในงานเท่นั้นมาเป็นงานที่แค่ใช้แรงหรือเป็นงานที่เรื่องเวลาของเราหรือเรามองว่างานพวกนั้นเป็นงานที่อ่ ไม่มีคุณค่าเท่าไหรนะ่อันนี้นมาก็เชื่อว่าหลายคนนะนะนะอาจจะไม่ใ้แในที่นี้อาจจะเป็นที่อื่นที่บางทีก็จะมองแบบ แ, บบแย่เนาะมองว่าการทำงานเนะี่ยเป็นเรื่องที่นะ ม, มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ในการภาวนาแต่จริงถ้าเรานะลองฝึกนะลองมองให้ดีๆนะที่จริงงานตัวนั้นะ เป็นงานภาวน า, าได้ทั้งหมดเลยงนะานภาวน า, าทั้งหมดก็เลยเพราะภาวนาติดจิตจึงการลดความเก่งแก่ตัวออกไปจักจิตใจนี่นแหละเป็นการลดลดละเลิกการยึดถือในตัวตนความสําคัญมั่นหมายอะไรที่มันเก่งผิดนั่นแหะถ้าเราทําไปแล้วก็เออดีใ น, นบางอย่างเราไม่ได้ทางนานเหมือนงานใช้แรงงาน เราเรียนมาสูงเราถนัดใช้ความคิดความมาทำงานแต่ไม่ต้องใช้ความคิดแบบคนธรรมดาบ้างบางทีมันก็ลดอีโค่ลดตัวตนของตัเองลงไปได้เยอะหนักหรือบางทีเนี่ยเมื่อคนที่ยิ่มีสถานนะทางสังคมสูงนะบางทีก็จะมีความหลงในความปันเถรเยนินยอคนเขาลดนับถือคนกาดว่ายเราก็คือนตระหนกโขนมันเป็นโขน แบบแต่จริงพอเราใช้ชีวิตแบบปกติธรมรมดาว่ามันใช้แรงว่ามันก็ เ, เป็นการรู้จักวางของโขนขอดของโขนลงไปจากจากชีวิตบ้านะมันก็ตอนนี้ชีวิต เ, เราเราเ่านะแต่ถ้าใครยังถือของโขนนะเออเราเป็นนั่นเป็นนี่นะอืใครจะมาติดจิตินทาเราไม่ได้ใครจะมาใช้เรา แต่ทํางานแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเราก็ลืมตัวนะเราก็ลืมตัวของเราเองนะบางทีเราก็ต้องมองดีๆนะที่จริงงานต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่เราสามารถฝึกภาวนาได้กับการงานแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นงานที่เสียเวลาเนี่ยเราก็จะเร่รีบทําให้มันเสร็จเร็วจนกระทั่งดืมตัวว่าตอนนั้นใจเราร้อนใจเราเครียด ใจมันจุกหิีก็ได้เหมือนอย่างเจ้าที่กินนะหลวงพ่อชา ى, ท่านก็เสด็จเราว่าตั้งแต่ตอนที่ท่านยังบวชไม่นานนะให้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินรนะีท่านก็ไปอยู่กับหลวงปู่กินรีก็อยากจะนั่งสมาธิอยาจะเลิกจังกงให้มากๆนะวันหนึ่งก็จีวรท่านขาด ันก็แบบดีบ้ดนะเอาเข็มเอาด้ามยมาเย็บจีวรเอายนะายเย็บให้มันแบบให้มันเสร็จเร็วๆนะใจร้อนหลวงปู่กิกนนรีก็ถามวนะ่าท่านชาท่านทาอะไรหลวงพ่อชาแต่ถ้าอยาเป็นพหน่มก็บอกก็เย็บจีวรอนนะ่าดี้เย็บจีวรให้มันเสร็จเนะ็เสร็จแล้วจะได้ไปนั่งสมาธิจะได้ไปปฏิบัติธรรมทัมนดีหลวงปู่กิกนนรีก็บอกว่า ท่านไรู้เหรอว่าเทปจีวรนี่ก็เป็นการปฏิบัติทําได้นะนะมันดีทําแบบนัน้นเสียของหมดนะเสียของในทีน่นี้ถ้ามาดีกวานะอาจจะทั้งเสียทั้งนะการตีวรก็่อาจจะเสียไม่สวยหรือไม่เรียบร้อยนะก็อาจจะทําให้ไม่ไม่คงทนนะอีกอย่างมันก็เสียติตใจแล้นะเสียของมืนใจแล้วก็ร้อนใจเราก็ร้อน ที่ทำาห้มันเสนะเียทั้งนะงานที่ทอาใครอกเสียทั้งคุณภาพจิตนะที่มันผิดปกติไปที่มันรอ้อนงไปด้วยนะเรียกว่าเสียของนะใครจะเป็นแบบนี้ไม่คือสิทธิ์แต่เราทำอะไรแล้วเราสึกนี่ทำให้มันเสียไปนะมันเสียของนะนะเราเราต้องระลึกใหมันได้ว่าที่จริงทุกเรื่องนะเป็นเรื่องภาวนาเั้านั้นใะลนะ ต้องแต่ตื่นจนหลับนะเป็นเรื่องภาวนาเท่านั้นเลยนะที่จริงถ้าเราสามารถระลึกได้ว่าในการงานที่เป็นชี้ิตประจำวันของเราเนี่ยแหละคือการภาวนาเท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันก า, า, ารอาบนา้ําการขับถ่ายการกินกนะารเดินนะเราสามารถเติมความรู้ึกตัวเข้าไปก็เป็นการภาวนาแล้วนะหรือบางที เราต้องทำงานในที่ทํางานของเราหรือแม้แต่บางทีบางคนอยู่วัดแต่ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องใชอรู้หนีบ้างถ้าสามารถเตินสติเข้าไปกับการทําพื่นั้นได้นะมันก็เป็นการฝึกตนข้างหน้าเลยนะเราก็สามารถมีสติกับการกว่านใบไ ม, ม้มีสติกับการหั่นผักมีสติในการน้างชาหรือแม้แต่ต้องทําทงานใช้ความคิดบ้าง เราก็สามารถมีสติกับการขีดเขียนหรือว่ามีสติในการรู้ทันอารมณ์นะเวลามันทํางานขึ้นมันใจมันร้อนเหรออยากจะให้งานมันเสร็จ เ, เร็วๆเนะี่ยเรามีสตริรู้ทันใจที่มันรี่ร้อนนะหรือบางทีเราทํางานกับคนอื่นนะยิ่งงานหลายอย่างบางทีเราทํางานแบบจิตอาสาทำการแบบไม่มีค่าตอบแทนนะบางที มันจะมีความคาดหวังว่าคนใช้เออเราใช่แหละเราไม่อยากได้ค่าตอบแทนแต่บางทีเราก็อยากจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาชื่นชมเราบ่างนะหรือคนอาจจะไม่คิดในแง่คุณค่าตัวเองหรือความชื่นชมแต่บางทีเราก็จะรู้สึกว่าใช่ใช่แล้วเราอยากทํางานให้มันดีนะอยากจะทํางานให้มันเนียบอยากทางานให้มันเรียบร้อยที่สุดนะบางทีพอมีคนกัดใจ มีคนไม่เป็นตามกลไกที่เราคิดที่เราต้องการมันก็จะหลอีกได้ง่ายใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะก็รู้สึกว่าคนพวกนี้นมาทําให้จิตของเราเสียมาทําให้จิตเราวุ่นวายจิตไม่สงบแต่เรื่องดีๆว่าคนพวกนั้นก็ทําหรือว่าเราทําตัวเองเราเร่งที่เองเราถึงทุกร้อยทุกขเปล่าหรือว่าเพราะกรนตือเ้า เชื่อง้าพวกนี้เขาไม่เป็นตามใจเราเราเลยทุกข์นะจริงถ้าดูดีๆนะใครเป็นคนทําให้เราทุกข์ใจเราเองนี่แหละที่วางได้ผิดใช่ไหมเราคิดว่างานนี้มันต้องสมบูรณ์แบบก็คือความคาดหวังของเราะเราคาดแบบแบบนั้นมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราลองเป็นตามความเป็นจริงเนาะว่า เอองาตอนนี้มันไม่มันไม่ราบรียกมันไม่เรียบร้อยเออเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปสินะแต่เราทําไมไปทุกข์ร้อนกับคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะหรืองานบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ยีดร้อนทันทีทันใดแต่ทำไมใจเราร้อนเราเกินอยากเงนินเสร็จวันนี้นะเพราะอะไรเพราะลืมดูตัวเองว่าโอ้เพราะใจเราเนี่ยมันมีพลังดีพันอยากจะไปเลยจังกรมแล้วอยากจะไป ยกมือสร้างจักระแล้วอยากจะไปทำสมาที่แล้วไปลืมดึงงานเฉพาะหน้าคือปัจจุบันที่เรากำลังทำเรามีความคาดหวังอยากจะทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ทำในตอนนี้ใช่ไมาเป็นตัวทําให้จิตมันทุกข์เรารู้ดีนะนะบางทีใครทําให้เราทุกขนะ์เพราะใจเราเองนี่แหละที่วางนะให้จิตมาทําให้จิตมันทุกข์ แต่ถ้าเราดูดีๆนะงานทุกอย่างเป็นงานภาวนานได้ทั้งนั้นอย่างที่อดัมมาพูดไม่แต้มาที่ใช้แรงนะธรรมาดาธรรมาดาเราก็เติมสติเข้าไปให้เรารู้ตัวกับสิ่งที่กำลังทอยูนะ่ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะกวาดพื้นไม่ว่าจะหัน่นผักว่าทำไห น, นเราก็อยู่กับปัจจุาบาันนะั้นให้เรามีสติรู้ว่ากายกาลังทำอะไร หรือบางขณะมันมีสิ่งกระทบนะเกิดขึ้นนนะก็ให้เรามติดรู้ทันนะว่าตอนนี้ใจมันดีตอนนี้ใจมันฟุ้งซ่านตอนนี้ใจมันสงบตอนนี้ใจมีความดีตอนนี้ใจมันขนะี้เกียจนานกะเลยนะก็รู้อย่างนี้มันเป็นนั่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะเราได้ขนาดนั้ น, นนะถ้าเรามีสติเนี่ยราจะมองอ๋อนี่แหละ เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่นะก็อะไรก็ เ, รเห็นใจบุทิต น, นี่ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าคนใจมุทิตแล้วไม่รู้ทันว่าจะุทิตเข้าไปดูในทางการมุทิ้อนั้นแบบก็ไม่ไปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าเราเห็นว่าใจเราที่ร้ออืมแต่เราอีูเออ น, นะ่นเรได้ปฏิบัติธรรมแล้วคนเขตาตอนนี้เราเออเห็นว่กเราไม่พอใจนะ เขามาว่าเราเนะี่ยมันรู้สึกไม่พอใจอืมมันดีที่กลับมาเห็นนะเห็นว่ามันไม่พอใจหรือเขาไม่ชมเราสันเตินเรานะเห็นใจเราที่มันฟูขึ้นมาอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราทําการงานอย่างอื่นก็ดีนะ ให่เรา้ว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยถ้าใครสามารถระลึกแบบนี้ได้นะไม่แ บ, บ่งแยกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาภาวนาอันนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาภาวนาเนะี่ยถ้าเราสามารถให้งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยว่าทุกเรื่องราวในชีวิตของเราทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาะทีเนี่ยคือเวลาภาวนาทั้งนั้นแต่กิจกรรมที่ทําหรือสิ่งที่กระทบ มันก็มีความต่างกันบ้างแต่ทุกอย่างเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาดูกายดูใจของเราเท่า น, นั้นเลยถ้าเรากลับมาดูมาศึกษามาเห็นมารื่อต้องกันเนี่ยมันได้ปัญญาอ่ามันได้สติในปัญญาเ น, นั้นเลยสติคืออะไรคือการที่เรากลับมาลแล้วเรารู้ดูตัวเองกลับมารู้รู้ตัวเอ ง, ร, ร, เองรู้กายบ้างรู้ใจบ้าง ถ้าเรารูตัวเองนะเราจะมีปัญญาว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะเมื่อกี้เนี่เขาชมเราเกิดความพอใจขึ้นในใจถ้าพักหนึ่งเขาอาจจะมีคนอื่นมาดีพาเราใจเราก็ตกไปแล้วเห็นอะไรเห็นใจเราที่ไม่เที่ยงเมื่อกี้ยังมีใจอยู่เลยนะพ อ, ขอกลับมาบ้านนี่หนึ่งเนี่ยเสียใจละเห็นไหมใจไ ม, มันไม่เที่ยงนะ เมื่อกี้คนเมื่อกี้น่ะมันช้าวนหนึ่งเราเลยตอนบ่ายเข้ามาดีท้าเห็นไหมเขาต้องไม่เที่ยวบังคับเขไม่ได้นะหรือแม้แต่บางทีทําไมคนนี้ชงแล้วเรากูอีกคนหนึ่งเราชงแล้วเราเราเฉยเยก็มีนะมันบังคับไม่ได้นะหรือทําไปแต่ละษณะบางทีจิตมันก็เปลี่ยนแปลงเนะมันแสดงความไม่เทียวกั่เห็นน่ะ มาแสดงความที่มันเป็นไปลายตเหตุดนันบาดใจของมันที่เห็นมันเห็นุลนว่าเป็นมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะมันไม่ใช่เรื่องของเราจิตใจเราดูดีมันมันไม่สามารถบังคับได้นะถ้าผีข้างหน้าเราจะบังคับที่สุดได้ไหมนะเราจะนั่งยกมือเหมือนเดิมนะ่ะเราจะนั่งเราจะเดินจนโกนนะแต่เราก็ไม่สามารถสั่งจิตให้มันสงบ ตัดจิตให้มันมีความสุขกนไม่ได้นะตัดจิตให้มันไม่คิดก็ไม่ได้นะเนียถ้าเราตัดไม่เห็นนะถ้าแต่จิตของเราเองที่จริงมันก็ไม่ใช่จิตของเราจริงเนาะมันเป็นจิตเนี่ยเรายังบังคับไม่ได้เลยคนอื่นเนี่ยเราจะไปบังคับได้ยังไงนะพอเราทำงานกับคนอื่นเน่ยเราก็จะยิ้มไดม้เป็นก็เป็นอนัตตานะทุกอย่างมันก็ไม่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันก็เปลี่ยนแปลง แสดงเปิดใ้รักไม่น่าเลยนะวพาเราทํางานกับคื่นเนี่ยยิ่งสนุกนะเพราะยิ่งเห็นนะเห็นความเป็นใจรักของคนอื่นแล้วก็ที่จริงเมืย้อนกลับไปเห็นที่ที่เป็นใจรักษณ์ในการมีใจของเราด้วยพอเห็นแบบนี้ยมันทํางานไปก็สนุกไปนะพอเราทํางานแล้วก็น่ารึมีสติอยู่บ่อยๆพอเราทํางานเสร็จมีเวลาไปปฏิบัติธรรมในรูปแบบ มันต้จะกต่อเนื่องไปติดอยู่นะมันก็จะต่อเนื่องพอทในรูปแบบเต็มีคนลอขอร้องเรียช่วยมาหรือถึงเวลาต้องไปทำงานยาคืนนะมันก็ต่อเนื้อไปปฏิบัติทำนอกรูปแบบต่อเลยนะนั้นวันทั้งวันเนี่ยเป็นการปฏิบัติทำตัแต่เคือจะขันบัไปเลยนะางทีแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติทำเฉย ถ้าเราสามารถวางจิตแบบนี้ได้นะเนี่ยเราจะปฏิบัติทำได้ทุกวันเลยอาศัยการมีสติดูกายรูใจนี่แหละเข้าไปเกี่ยวข้องตอนไหนที่เราวางใจด้วยจิตมันทุกข์เนี่ยเออนะมันก็ดีนะมันก็ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราหลงไปแล้วเราหลงไปคาดหวังกับคอนอื่นมากเกินไปเราหลงไปคาดแังกับตัวเองและทำให้จิตมันทุกข์ลนะ แล้วก th ็ตับมารู้ความรู้ตัวมก็จะวางเองนะมันก็จะวางเองพอเราไปคุยกับคนอื่นอ่ะมันก็เกิดสติรู้ตัวมันก็วางได้พอใจเรารีบร้อนอยากจะทํานั้นมันเสร็จเออเราก็รู้ตัวว่าให้เราดีเป็นไหนเนาะทําไมเราต้องรีบวิ่งด้วยทำไมเราต้องรีบเดินด้วยสังเกตไหมบางทีเราก็รีบวิ่งเนาะบางทีเราก็รีบเดินสังเกตไหม บางทีความนิ่งทีเราอาจจะเห็นที่ใจแต่บางทีเราก็ดูที่การก็ได้นะสังเกตไหมบางคนถ้าเดินแบบเท้าแบบปลายเท้ามันจิกบ่อยๆเนาะแต่คนใจร้อนเท่าไหม่นะเวลาเดินปลายเท้ามันจิกนะแต่ถ้าเดินแบบเต็มเท้าดีๆเรียกว่าเออเมดีใช่ไหมบางทีเราก็สังเกตดูร่างกายก็ทดานะออมันก็คงบอกว่าจิตใจมันี้พร้อนนะ เราเขียนเท่อไหร่กันสังเกินไหเราเขียนเรื่องความที่พร้อมไะมหรือเขียนด้วยความสม่าเสมอหรือสมัยนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะเราพิมพ์นะเราเรียกพิมพ์ไหมหรือว่าเราเราเรียกไกด์สะกดเป็นทีละรมทีรละคำบางทีเราที่ยิ่งรีบนะยิ่งช้าใช่ไหมตังเกินไแต่เราพิมพ์เร็วๆเนี่ยมันก็ผิดนะเราก็ต้องมามาลบมาแก้บ่อยๆใช่ไหมยิ่งรีบก็ยิ่งช้านะ ยิ่งอยากอยากให้มันเสร็จ เ, เร็วๆใจก็ยิ่งไม่สงบใจใก็ยิ่งรอ้อนแต่ถ้าเราค่อยๆทาทีละขณะมันมีภาตินะเขาบอกว่าเดินทีละก้าวนะกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะเรเดินทีละก้าวนะมีเสติจจในการเดินทีละก้าวเนะี่ยยังไงก็ถึงนะยังไงก็ถึงมีพระอยู่ที่วัดตัวหนึ่งนะท่านไปเดินตุ้โดมที่อินเดีย เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดินประมาณพันสี่ ร, ร้อยนะกิโลดแบบงได้ประมาณร่วมเกือบสองเดือนตันแรกเป็นเริ่มเดินพักประมาณสัปดาห์แรกนะท่านก็สบายหัมาว่าจะไหวหรือเปล่าเนือแบบเหนื่อยเดินวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบกิโเมตรนะตั้งแต่ปีสองปีสามที่เดินนะจะไหวหรือเปล่านอายุก็ร่วห้าสิบแล้วประมาณนี้มากอ ให้เดินทีละก้าวให้เดินทีละก้าวท่านบอกก็ติดเดินทีละก้าวเนี่ยพอไปเดินจะทั้งรวมสองเดือนนะท่านก็เดินพอกลับมาได้ท่านก็ภูมิใจที่ตัเองทําได้นะก็เลยพอใจเราไปคิดก็มันจะไหวหรือเปล่าโอ้เพิ่งเดินมาได้อาทีพเดียวยังต้องเดินอีกร่วมเจ็ดอาทิตย์ตรงนี้จะไหวหรือเปล่าน้อพอใจเราไปคิดถึงปลายทางข้างหน้ามันก็เด่น เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวยังไงก็ถึงถ้ามันไม่เจ็บนะถ้ า, ม, ามันไม่ไม่สบายจริงจรินะมันก็เดินไปทีละก้าวมันก็ถึงได้นะเรากินข้าวเหมือนกันนะเราสังเก่งไหมเราเี็นเสด็ในการกินศีลธรรมรู้สึกตัวในการกินแต่ละครั้งไหมนะหรือเราทําอะไรนะเราทาทีไอย่ากไหมบางทีเราก็อยากจะทำหลายๆอย่างมนะันเจ็ ก็นะเลยต้องแบบทั้งดูทั้งฟังทั้งเขียนทั้งพูดแบบนี้นะบางทีก็ทำหลายอย่างพร้พอมๆกันบางคนคิดว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่จริงประหยัดเวลาตรงนะี้นะก็ไปเสียเวลาอย่างอื่นมาเลย น, นะบางคนรีบจะได้เวลาพักพักก็ไปไหนก็ก็จะได้ไปเที่ยวห้าไปลืมไปดื่ม ไ, ไปกินไปสนุกสนานอย่างอื่นนะ ไอจินถ้าเราลองทำทีละอยา่านงะไม่ถึงกับต้องช้ามากนะแต่ไม่ต้องเร่งรีบเนาะไม่ใช่ว่าเราต้องทําอะไรแบบใช้ช้านะชิวชิวไปแต่ให้เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีสติในการทำํำบางทีก็ไม่เกี่ยวกับสปีดหรือว่าจังหวะความเร็วนะว่าต้องเร็วขนาดนี้หรือช้าขนาดนี้แต่ละคนก็เดินเร็วช้าไม่เท่ากันนะแต่ให้ให้เราดูไปเอง หลายคนอายุเยอะแล้วก็จะเดินเร็วเหมือนคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้นะมันก็จะล้มนะแต่บางคนคนหนุ่มสาวเดินแบบนี้เขาเรี้ยวก็ดีอย่างเขาแต่คนอายนะนะุมากหน่อยจะเดินไม่ทันก็ตามจังหวะของเรานะนะีนะ่ยแหละเราเดินแล้วก็ตามจังหวะของเราเราทําการทํางานแล้วก็ตามจังหวะของเรานั่ยแหละเหมือนกับเรงขับรถเนี่ยแหละนะนะนะ บางจังหวัดช้าก็ต้องช้าบางจังหวัดแซงก็ต้องเร็วหรือบ้างบางจังหวัดตามไปก็รู้จักรอได้บ้างาบางทีเอนนั่งรถเนาะเป็นภาคก็ไม่ค่อยได้ขับรถนอกจากใกล้ๆหน่อยแต่ก็จะสังเกตโชเฟอร์นะคนขับรถเราก็จะเห็นได้ว่าใครใจร้อนใครใจเย็นสังเกตได้เลยบางทีพอมีคนจะขอทางเนะี่ยโชเฟอร์บางคนเนะี่ยก็จะ ไม่ค่อยอยากจะให้ทานเขาก็จะรีบไปแต่บางคนพอเขากอดทานเออเขาเขาจุดชอบชะลอหยุดเอให้เขาไปก่อดเออนี่แต่ว่าเขาใจเย็นเนาะเขร อ, อได้บางทีมันเสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีแลหละนะแต่มันเห็นเลยว่าจิตมันต่างกันพอคนใจล้วนะอ่ะรีบอ่ารีบเหยียบไปเลยเขาจะได้ไม่แทรกมาเออมนันก็จิตก็เป็นแบบนึงแต่บางคนงเออพอเห็นเขาจะแซง เขาจะเขาจะแทะทำไมค่ะจะร้อนให้เขาติดเขาก็้วสลายขึ้นนะคนนั่งก็รู้สึกสบายใจไปด้วยพอคนนั่งเห็นคนกลับใจร้อนนี่ก็อืมก็เสียวๆนะเสียวะไรเยมันก็เห็นนะมันก็เห็นว่าที่จริงเราก็ใส่การภาวนากับการขับรถก็ได้สังเกตนะถ้าเรารู้ทันนะเออเราทําไมเราร้อนขนาดนั้นเนาะเยเราไม่เห็นนะ แนคือมันก็เป็นการสังเกตจากภายนอกแต่ถ้าเราลองสังเกตตัวเราเองนะเวลาเราทําอะไรทําด่นใจอย่างไรนะเราค่อยๆปับลงมาเนาะนี่คือการภาวนาทั้งนั้นเลยนะภาวนาไม่ที่เพียแค่การทําในรูปแบบนอกรูปแบบก็ยิ่งเป็นการภาวนาที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาขึ้นมากเลยด้วยนะบางทีทําในรูปแบบ น, ะนี่ยบางที ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่าติดแวดลอมมันเพื่อหรือว่ามันไม่ต้องไปกระทบกับคนอื่นใช่ไหมเราทําเรายกมื อ, อนะดอนเอฟซ่าดอนเอคิดแต่เราก็ไม่ถึงขั้นต้องไปไปด่าไปทําร้ายคนอื่นใช่ไหมเราก็เก็บไว้ในใจมันก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อคนอ่เท่าไหร่แต่ยิ่งเราต้องทำนานนี่แหละเรานี่ต้องภาวนานมากเพราะอะไรเพราะคาพูดสีหน้าท่าทาง หรือการกระทำบางอย่างของเรามันสกงผลกระทบต่อคนอื่นได้เยอะแยะยังไงเขาเลื่เริ่องงานเขาแค่ถามแต่เราบุญกิจนะนะเราก็ไปแสดงความให้พอใจเขาเขาก็บุญกิจต่ออีกเขาก็อาจจะเป็นว่าคนอื่นต่ออีกกระทบไปเรื่อยๆเป็นโนบิโมโตะแต่ถ้าเขาถามด้วยความใจร้อนเราตอบด้วยความใจเย็นนะเขาก็จะเบาใจขึ้นมา พอเราเอาใจขึ้นมาเขาจะไบอกคนอื่นต่อโดยใจที่ตะขบขึ้นแบบนี้นรรก็ส่งผลกระทบกับการงานที่ทํางานโดยมีความสุขได้มากขึ้นเนาะเนี่ยเริ่มจากตัว เ, เราเองนี่แหละเนาะเราสังเกตคือตัวเราเองถ้าเราทํางานด้วยความใจร้อนเนี่ยบางทีเพื่อนรอบข้างก็งจะใจร้อนตามนะหรือว่ามุหงจิตไม่มีความสุขกับการทํางาน แต่ถ้าเราทํางานเรื่องสมบเนี่ยก็จะพอจสมบกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทํางานของเราให้มันสมบุกมากขึ้ น, นเดียวนะหรือบางทีเราทํางานเราต้องทำลวมระบายบางทีเงแบบน ม, มีควนพูดนบางทีคนไทยเริ่มมีติดนิสัยชอบแบบคู่สนุกสนานเอามันได้ก่อนจะได้แบบเพลินๆต่แต่จริงมันก็เป็นการสร้างความฟุ้งสร้างปีกแบบ บางทีเราก็ต้องาเลือกให้มันพอดีนะ อ, อไม่ใช่สนุกจนท่านฟุง้งซ่านเกินไปแต่ให้มันเป็นความสุขในการทํางานนะมีความตั้งใจในการทํางานเพราะเนี้ยมันทําให้จิตใจมีสมาธิจิตใจมันไม่ฟุง้งซ่านพอเราไปภาวนาต่อมันก็จะภาวนานแบบคล้ายๆต่อนเนื่องไปเลยนะมันก็จะต่อนเนื่องเป็นรูปโซ่นะไม่ว่าเราจะทําในรูปแบบก็ดี ทำนอกพูปแบบก็ดีเนะี่ยเพียงแค่อาศัยการวางใจให้ถูกว่าเราสามารถภาวนาได้ในทุกที่ทุกเวลาเลยเพราะอะไรเราภาวนาคือการกับมาดูกายดูใจมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูสิ่งที่ตั้งอยู่ดูสิ่งที่ดับไปในกายในใจนะั้นะนะมาด้เห็นความจิตตันนี้แหละ น, นั่นคือการภาวนานะแต่จริงเราภาวนา ไม่ได้วังว sí, ่าจะเอานะอบางทีบางคนถ้าตั้งใจทำงานเกินไปเหมือนใครเราจะมาเอาอะไรสักอย่างเนาะแต่เราเก็บอารมณ์เวลาเราตั้งใจไปเรื่อยมากเหมือนมันต้องได้สิมันต้องดีขึ้นสิเหมือนเราจะเอาเหมือนเราหาเงินเนาะก็ต้องรวยขึ้นเราต้องมีตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหรืองานมันต้องเสร็จมากขึ้นนะก็เหมือนเอาอะเอาเข้าตัวเอง ไอ้กิจภาวานากิจคือการปล่อยคือการวางนะไอ้ที่มันยึดเราวางออกไปไอ้ที่มันหลงเราวางออกไปไอ้ที่มันสั่งขันบั่นหมายผิดนัเราวางออกไปนะที่ภาวนาคือการลดการละกาะะรเลิกความเห็นผิดความยึดถือหรือตัวตนที่เราหลงขัน้นเราปล่อยออกไปนะอันนั้นแหละคือภาวานาทั้งนั้นเลยนะที่จริงเร า, าใี้เราวางกันนะเราภาวนาเพือ่อ ก็ไม่เอาอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาแบบตั้งคิดผิว่าจะไม่เอาทุกอย่างนะไม่ใช่นะไม่เอาคือไม่ยึดไม่ถือนะแค่เห็นนะเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางนะไม่ใช่ว่าไม่เอาคือการปฏิเสธอารมณ์ไม่ใช่นะนะไม่เอาคือเห็นแล้วไม่ไปยึดก็เป็นตัวตนของเราเป็นผู้ดูนั่นแหละคือการไม่เอานะแค่เราภาวนาแบบเนี้ย วันทั้งวันจะเป็นเวลาภาวนาของเราทั้งหมดเลยเราจะเลือกจับฉวยโอกาสเป็นเวลาในการภาวนาทั้งนั้นเลยเราดูเนาะในท้องถนนก็เป็นช่วงเวลาภาวนาในร้านอาหารก็เป็นช่วงเวลาภาวนาในออฟฟิศในที่ทํางานในโรงพยาบาลก็เวลาภาวนาทั้งนั้นหรืออยู่กับครอบครัวนก็เวลาภาวนาดีๆเลยนะบางคนมีลูก บางคนมีพ่อมีแม่ก็เป็นเรื่องเวลาดูอารมณ์เวลากระทบนมันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะเป็น เ, เรื่องที่ต้องพอนาเยอะเลยบางทีหลายอย่างคนนอกคนไกลๆตัวเราทําไม่ก็อยเห็นดแต่ถ้าคนใกล้ตัวทําเนี่ยจะรู้สึกแบบมีอารมณ์เยอะกว่าปกตินะบางทีก็ต้องดูให้มันพันนะเพราะว่ากอคนใกล้กๆตัวเราก็มีความคาดหวังเยอะ เันมีความห่วงใหญ่เันมีความรักเยอะมันก็จะพุ่งได้เยอะนะะเราก็ต้องดูดีๆนะเวลารเราเกี่ยวข้องกับคนต่างๆเราเนี้ยะเป็นช่วยในกันให้เราภาวนาทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็บอกไว้นะมาเราจะได้นะเอาไปลอใช้ดูแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่ามันต้องให้มันดีแล้อยเสรเซ็นต์นะก็ค่อยๆพัฒนาภาวนาจริงคือการพัฒนานะค่อยๆพัฒ น, น, น, น, นะนาไป แต่จะไม่ดีสมบูรณ์ในวันสองวันในเดือนนี้หรอกแต่เราตั้งไว้เถอะเราจพัฒนาเป็นในทานอง น, นี้ต้องเห็นต้องขยายผลให้มันมากขึ้นแบบนีน้แต่บางทีก็มีขึ้นมีลงบ้างนะแต่แล้วเราไม่ทิ้งกันเพางมาก็จะค่อยเข้าใจมากขึ้นว่ากันังขับไม่ได้เนาะแล้วก็มีแต่ความปล่อยอความว่างไม่เป็นอะไรเจ้าเหมามันแต่เราก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อนะ ปัจ บ, บางเ่ยนะเรื่อยเอนะเาะเอบอกอไปที่น่มีใครยังไม่เคยทำในรูปแบบไห้ยอมคุยเคยมีป้าคยนะ